บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปธรรมะที่พระพุ้มีพระพากล่าวทรงแสดงให้เป็นหลักในการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ยังต้องศึกษาเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปที่สรุปรวมด้วยชื่อว่าพระเสขะเฉพาะในกรณีนี้ ทรงชี้ไว้ที่ธรรมะสีประการประการแรกคือการสามารถก้าวล่วงกรรมทั้งหลายไปได้ประการที่สองต้องมีจิตใจที่ไม่ขุดมัวซึ่งมีนญยัดังได้อธิบายมาแล้วในข้อที่3นั้นทรงใช้คำว่าต้องเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงคำว่าธรรมทั้งปวงนั้น ในหลักของการปฏิบัติแล้วจะต้องเป็นผู้ฉลาดทั้งในฝ่ายที่เป็นกุศลธรรมฝ่ายที่เป็นอกุศลธรรมและฝ่ายที่เป็นกลางกลงหรือต้องฉลาดรอบรู้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วและฝ่ายที่เป็นกลางกลงนั้นโดยนัยหนึ่งโดยนัยหนึ่งนั้นจะต้องฉลาดในกลุ่มของธรรมะเพราะกลุ่มธรรมะเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ไว้เท่านั้นเพราะเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปโดยเงื่อนไขของธรรมชาติธรรมดาแม้บุคคลทั้งหลายเองก็เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งในช่วงสั้นและช่วงยาวบุคคลไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ได้ แล้วก็เรียนรู้เอาไว้เพื่อเข้าใจถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะทำใจได้ควบคุมใจได้จนถึงก็ปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายลงไปได้กลุ่มที่สองนั้นเป็นสิ่งที่มีโทษจะต้องเรียนให้เห็นจะต้องให้เข้าใจโดยความเป็นโทษได้แก่บรรดากลุ่มกิเลสทั้งหลายที่เรียกชื่อแตกต่างกันออกไป กลุ่มที่3าเป็นกลุ่มเป้าหมายในการแกะจัดทุกข์สร้างสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนโดยลำดับตามขั้นตอนแห่งธรรมะปฏิบัติที่บุคคลได้ลงมือประพฤติปฏิบัติจะทำให้สัมผัสผ ล, ผลในจุดนั้ น, น, นเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นความเพียรพยายามที่จะสัมผัสผ ล, ผลเบื้องสูงขึ้นไปโดยลำดับ และข้อสุดท้ายก็คือหลักในการปฏิบัติจริงๆที่สนัยคำว่าภาวะตรปกระธรรมะที่บุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ความฉลาดในธรรมทั้งหลายนั้นแต่ก็เน้นไว้ทุกระดับนั้นกันระดับแรกเป็นเรื่องของการแยกแยะดังกล่าวแล้วรู้ว่ากุศลนธรรมก็คือกุศลนธรรม รู้ว่าอากุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมในจุดนี้ดูแล้วคล้ายๆจะเป็นเรื่องง่ายแต่ในการปฏิบัติแล้วกลับเป็นเรื่องยาก จ, จริงๆเพราะบางครั้งสิ่งที่บุคคลทำนั้นมีผลเป็นความเดือดร้อนซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนั้นเป็นอกุศลแต่เพราะความไม่รู้ไม่เข้ า, จาใจโดท่องแท้ทุกคนก็ยังประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งเหล่านั้นแล่วในที่สุดตนเองก็ต้องประสบความเดือดร้อนดันั้นในเชิงของพระปริยัติสัต์ธรรมอันเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกขี้แจงแสดงเอาไว้นั้นอย่างที่สวดสรรเสริญกันว่าเป็นสวัสขาโตประกาตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้ดีแล้วจะไม่มีการปนคลากันในหมูธรมาเหล่านั้น ฝ่ายกุศลก็คือกุศลอกุศลก็คือกุศลกลางๆ ก, ก็คือกลางกางเป็นระบบคําสอนที่เกิดขึ้นจากการศึกษาอย่างแท้ จ, จริงไม่มีความสับสนในตัวของคําสอนเราดั้นนั่นคือความฉลาดในชั้นของปริญญาคือการศึกษาระดับเรียนจะโดยการฟังจะโดยการอ่านจะโดยาการสนทนาสอบถามหรือแลกเปลี่ยนความรู้กันกระทำ ปราหลักประสาธรรมทั้งสาประการนั้นเรื่องการศึกษามาเป็นเบื้องต้นมือก็คนจะเดินทางไปไหนมาไหนจะต้องรู้แผนที่เป็นเรื้องต้นโดยสถานที่ที่ตนจะไปก็ไม่รู้ไปถ้าไม่รู้ว่าไปไหนไปอย่างไกลไปโดยยันคณะอาจารย์ก็จบสิ้นกันการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่นั้นเวลาทรงแสดงจึงทรงชี้ที่ปริยติสัตย์ธรรมคือการศึกษาสำเนียกโดยวิธีการต่างๆ รีสืรอต่างๆในชั้นที่สองเป็นเรื่องของความเข้าใจที่ยังลึกลงไปในเรื่องเดียนั้นในเมื่อธรรมะมีขวัยดีกบขวัยไม่ดีหรือขวัยกุศลก็ขวัยอกุศลเมื่อบุคคลได้ผ่านการพินิจพิจารณาไปแล้วก็จะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าในขณะที่ตนเข้าใจกลุ่มธรรมกลุ่มหนึ่งอยู่นั้นที่จริงในภาคตรงกันข้ามยังมีกลุ่มธรรมอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับธรรมะที่ตนศึกษาจบเช่นศึกษาถึงลักษณะของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงว่ามีลักษณะนั้นอย่างนั้ น, น, นเมอบุคคลได้ใช้ปัญญาเพ่งพินิพิจารณาไปก็จะเข้าใจถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามคืออกุศลได้แก่ความโลภโกรธหลงอันมีลักษณะตรงกันข้ามกับความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่กําลังศึกษาอยู่ ส่วนนี้เป็นการเสริมทั้งในด้านของประหยัดและเสริมทั้งในด้านของการปฏิบัติเพราะอาศัยการใช้ปัญญาเพ่งพีนิตพิจนาปนัญหาขั้นต่อไปนั้นเป็นเรื่องของปัญญาที่เกิดขึ้นมากพอที่จะรู้ทันสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏในชีวิตของตน ไม่ว่าจะเป็นรูปธรําหรือนามธรําใกล้หรือไกลถึงแม้แต่การเนียบนึกขึ้นมาภายในใจเองบุคคลจะมีความเข้าใจอย่างลึกในเรื่องเห่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นนี้เป็นการแสดงเสขะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ทําบุคคลให้เป็นพระเสขะจนถึงเป็นพระเสขะคือไม่ต้องศึกษาในที่สุดการเรียนรู้ในลักษณะนี้ จึงเน้นไปที่ระดับของปัญญาเป็นหลักในการพิจารณาชังการมองโดยสรุปถึงสปปรรพสิ่งทั้งหลายจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ตามเพาตกอยู่ในกฎของธรรมชาติคือมีความเปลี่ยนแปลงแปรแปลวนไปโดยลำดับไม่มีอะไรหยุดอยู่ที่แต่วหันในการแสดงนั้น ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเกิดแก่ตายแต่ต้วหาก็เป็นวัตถุสิ่งของภูเขาต้นไม้ก็ทรงใช้คมว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่จยิงเกิดขึ้นก็คือเกิดตั้งอยู่ก็คือความเปลี่ยนแปลงแปรแปรวนหรือความแก่ดับไปก็คือความตายเป็นการพูดถึงสภาวธรรมที่เสมอกันในสังขารทั้งหลาย ไม่ว่าจะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตามก็ตกอยู่ในสภาพเหล่านั้นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอะไรก็พินิจารณาถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแม้ปรากฏอยู่สิ่งเดียวเห็นปรากฏเฉพาะความเกิดก็มองคาดหมายนาคบถึงผลที่จะปรากฏแก่สิ่งเหล่านั้นภานในที่สุดก็จะเสื่อมไปจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดับไปในที่สุด ในข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะก็จะได้หลักในการดํารงชีวิตเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามจะมีการเตรียมใจ ย, ยอมไปเชิ่หน้าความจริงซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้ในขณะที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นตาก็าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจ ก็ไม่กำนัดเดืิอเพลินยินดีในสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปในส่วนที่ตรงกันข้ามคือไม่น่าปรารถนาก็จะไม่โธมนัดเสียใจจนถึงกระทอดอะไรตายอยากในชีวิตเราคิดได้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งก็จะดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยและในที่สุดก็ต้องแตกดับไปทั้ง2ฝ่ายเมื่อส่วนที่น่าปรารถนาแตกดับไป ก็ไม่เสียใจส่วนที่ไม่น่าปรารถนาแตกดับไปก็ไม่ดีใจความเคลื่อนไหวทา ง, งจิตในลักษณะนี้เจพวว้พควปาะเป็นเรื่องของอินทสียสังวรการสำรวมระวังอินทียเป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของปัญญาเพ่งพินิจและเป็นเรื่องของอุเบกขาธรรมที่สามารถทำใจให้ส ง, งบได้ไม่เปลี่ยนแปลงแ ป, งปรปลวนไปตาม ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นทั้งปรารถนาและไม่น่าปรารถนาแต่เราถึงการมองในแง่ของความเป็นทุกข์ในแง่ของความเป็นหน้า ต, ตาในเรื่องเหล่านี้โดยหลักการปฏิบัติแล้วไม่ได้มีรูปแบบหรือพิธีรีตองแต่ประการใดตัวการสาคัญจริงๆก็คือสติปัญญาที่ระลึกรู้ต่อสิ่งนั้นตามความเป็นจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเห็นประจากษ์ั้ในขณะนั้ น, น, นแม้จะเป็นภูปหนึ่งของความคิดก็ยังดีรูปหนึ่งเมื่อหลายภูปเข้าจะเป็นการเพิ่มพูนปัญญาความรอบรู้ในชั้นนี้ขึ้นภายในจิตใจถ้ า, าว่าในชาติปัจจุบันยังมีกำลังไม่มากพอก็เป็นการเก็บสะสมไว้ในจิตสันดาตที่้ ร, รงใชค้คาอีกคาหนึ่งว่าเป็นอธิมุต คือเพื่อนเพอัติยาใจหรือเป็นบา ร, รมีธรรมของบุคคลโดดนั้นเโอากาสต่อไปเมื่อเหตุปัจจัยเกื้อกูลมาจากข้างนอกสอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดที่เก็บไว้ภายในใจก็จะเกิดความรู้ประจักษ์ชัดในสิ่งเหล่านั้นซึ่งข้อนี้บุคคลสามารถบีบการให้สร้าเข้าว่าในแต่ละขนาดของอารมณ์นั้น สิ่งอะไรก็ตามที่เราได้เก็บความรู้ความเข้าใจถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเมื่อไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นข้าก็จะเกิดความรู้ทะลุปรุ ป, ปรงในสิ่งนั้นทันทีทันใดตัวอย่างเป<ม>็เห็นได้ง่ายๆเช่นบุคคลที่ทำขนมทาข้าวปลาอาหารต่างๆได้เก็บความรู้ในเรื่องเหล่านั้นสูตรในการกระทำสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ภายในใจแล้ว ต่อมาไปพราะเห็นสิ่งนั้นเข้าคือไม่ได้เห็นเฉพาะที่เป็นชิ้นหรืออยู่ในถ้วยแต่จะเห็นทะลุไปถึงองค์ประกอบของสิ่งเหล่านั้นได้วัก่อนที่จะมาเป็นอย่างนั้นมาอยู่ในถ้วยมาเป็นชิ้นเป็นอันอยู่นั้นมันมาจากส่วนประกอบอะไรบ้างมีเครื่องปรุงอะไรบ้างก็จะเกิดความเข้าใจที่อย่างได้ลึกออกไปแต่ต่อมาบุคคลบางคนที่ไม่ได้เก็บเอาไว้ก็มองเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นอาหารอยู่ในถ้วยเท่านั้นเอง ไม่ได้เข้าใจบางครั้งไม่รู้ได้ทําว่าเป็นอะไรจะเรียกชื่อว่าอย่างไรข้อนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะชีเห็นว่าวู้ของอารมณ์ที่เก็บไว้ในแต่ละขณะนั้นไม่ได้เป็นความศูญเปล่าเดยแต่พร้อมที่จะรับเชื้อบวกมาจากข้างนอกเพิ่มพูนขึ้นไปข้อ น, นี้ถ้ามองดูปฏิปทาของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทันสิ้นไปแล้ว เช่นพบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจะอยู่หัวทรงหนักแน่นในเรื่องอนัตตาแห่งธรรมทั้งหลายมากปณะนิพนธ์ของพระองค์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดก็ตามจะพูดถึงเรื่องอนัตตาอยู่เสมอแม้บทธรรมว่าเช้าที่สวดกันเป็นพรนิพนธ์ของพระองค์ท่านก็เน้นอยู่ที่อนัตตามากอนัตตาที่ทรงคิดที่ทรงเน้นที่ทรงสนใจคนควานั้น ในช่วงที่เป็นพระมหากษัตริย์อยู่ก็ไม่สามารถแสดงผลอะไรได้มากนักแต่ก็ทรงเก็บสะสมไป ด, ด้วยก่อนจะสวรรค์คดนั้นความรู้แจ้งอย่างลึกในธรรมทั้งหลายได้บังเกิดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์จนสามารถปล่อยวางสิ่งทั้งหลายได้หมดไม่ได้ยึดติดแม้แต่ว่าราชสมบัตินี้ควรจะเป็นของพระโอรสของพระองค์เป็นต้น ในด้านน้ำพระไทยก็แสดงให้เห็นว่าทรงเห็นธรรมได้ชัดเจนว่าสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษนั้นไม่มีเลยนั่นคือการยังลึกในความเป็นอัตตาแห่งธรรมแห่งสังขารแห่งสิ่งทั้งหลายการที่บุคคลจะไขวคว้จะยึดถือเอาไว้นั้นมีโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จวนจะตายถ้าไปยึดถือ ในอะไรก็ตามสักอย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็จะเกี่ยวเกาะอยู่ในสิ่งนั้นกลายไปกลายเป็นกรรมมารมกรร ม, มนิมิตตารมกตินิมิตารมอย่างที่เคยพูดในเรื่องของกรรมไปที่ในที่สุดก็จะกลายเป็นกาหนดภพกำหนดชาติของตัวเอง <c oughs> บางครั้งความดีงามต่างๆที่ตนทำไว้เป็นนั้นมากก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะจิตไปยึดเสียแล้ว จะมีตัวอย่างบุคคลหรือแม้แต่พิสูจนในพระพุทธศาสนาบวาเป็นเพียรในคุณธรรมระดับศีลสมาธิซึ่งก็น่าจะมีความมั่นคงในกติในภพแต่จใจเกิดเป็นเหนี่ยมนึกเอาไว้ในสุดก็ไปบังเกิดเป็นตัวนอนอยู่ในลาอ้อยบงังเป็นเลนอยู่ในจีวรที่ตัวกาลังเสียดายอยู่เป็นต้นนั้นี่ก็คือความเป็นหน้าตาแห่ง ที่แสดงโทษของอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่า ง, งนั้นว่าจะต้องมีโทษมีโทษมากหรือมีโทษน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ความคิดเหล่านี้เกิดเป็นลักษณะรวบรูปยอดจากการทรงเพ่งพิษพิจารณาอยู่บ่อยๆคิตอยู่บ่อยๆนึกบ่อยๆแล้วก็กลายเป็นหลักคำยันจิตใจพอถึงคราวจําเป็นเข้าสิ่งที่เก็บสะสมไว้ได้ขึ้นมาคุ้มครองใจ ความให้ไม่สับสนวุ่นวายทั้งๆที่ ท, ท, ทุกขเวทนาบังเกิดขึ้นเสียแทงอย่างรุนแรงดังนั้นการเข้าใจความเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะของอารมณ์ไม่ว่าจะเห็นคนตายสัตว์ตายรถตายใบไม้ร่วงฝนตกแดดออกอะไรก็ตามที่จริงนั้นคือกฎของใจหลักที่มีอยู่เป็นอยู่ในสิ่งเหล่านั้น ตลอดถึงอาจจะเรียนจากอะไรก็ได้แฟชั่นต่างๆที่นิยมกันก็ได้นั่นคือใจหลักมันเป็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปลวนเรื่อยๆถ้าเราฉลาดในธรรมทั้งหลายแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปล่วิ่งตามแฟชั่นต่างๆเราหยุดอยู่ในจุดที่เหมาะสมไปเดียวเขาก็หมุนมาเจอกันเองเขาก็ปล่อยเขาไหลกันไปเรื่อยๆ เ, เราก็ไม่ไหไปตามเรื่องเหล่านั้นได้ๆๆๆ ตบางครั้งมาในรูปที่เป็นมายาภาพที่ปรากฏนั้นชวนให้ลุ่มหลงชวนให้เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลนธรรมเช่นสมมุติว่าปฏิบัติกรรมฐานไปแล้วเกิดปีติขึ้นมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่จริงปีติเป็นกุศลนธรรมน่าชื่นชมยินดี เป็นการยืนยันว่าเดินทางมาถูกต้องแล้วแต่ในชั้นหนึ่งนั้นกลับเป็นลูกตุ้มถ่วงปัฒนาการทางจิตที่จะเดินต่อไปถ้าบุคคลไม่ฉลาดในอารมณ์หรือในธรรมก็จะเพียงพยายามปฏิบัติไปพอถึงปีติแล้วก็เพลินอยู่กับปีติจนจบรายการปฏิบัติต่อไปก็มาเพลินอยู่ตรงนั้นอีกหรือเพลินอยู่ในจุดส ง, งบจุดนิ่งจุดว่างเปล่าจากอารลมทั้งหลาย ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นในชั้นหนึ่งแน่นอนกุศลแต่ว่าชั้นหนึ่งกลายเป็นลูกตุ้มจี๋ถ่วงเพราะเป้าหมายในการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นแต่จะต้องเดินต่อไปแล้วก็ต่อไปจนกว่าจะถึงขั้นตอนที่เป็นจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาหรือบางครั้งบางคราวสิ่งเหล่านั้น แกเป็นอกุศลแต่ปรากฏรูปในทางที่เป็นกุศลอย่างที่ทรงแสดงเป็นรูปประธรรมประตานาที่ชื่อวระชับป่าคือกระซิบใจแสดงออกมาในรูปของกระซิบกระราบใจมุ่งดีปราถนาดีต่อบุคคลตลอดนั้นห้ามปรามเอาไว้เวลาจะกระทำความดีแต่มีลักษณะคล้ายๆกับเอื้ออาทรเป็นห่วงใจต่อสุขภาพภลานาำมา จะนั่งเลยปวดหลังปวดเอวก็จะได้พักผ่อนหลับนอนในร่างกายมีกำลังเป็นต้นก็จะเกิดมากระซิบใจในลักษณะนั้นผู้จะลัดในธรรมก็ต้องมองได้อย่างชัดเจนว่านี้เป็นมานที่ขัดขวางความดีเอาไว้ถ้าหากว่าหลงตามคล้อยตามก็ไม่ต้องทำความดีอะไรกันซึ่งบางครั้งบางคราวในสิ่งดอนี้เวลาท่านแสดงไว้ในคำผิดนั้นจะมาในจึงรูปธรรม แตพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นคือมารเจนว่ามาณมากราบคุณราธนาให้พระพุทธเจ้านิพพานตอนตัสรุใหม่ๆยังไม่ได้สอนใครเลยพระเจ้าทรงรู้ประจกรักษ์ชัดว่านี่คือมารที่มาคอยกัดขวางพระองค์ไว้พระองค์ก็ไล่มารออกไปได้แต่ถ้าไม่รู้บังก็ต้องไหลาตามคลอยตามบุคคลดอกนั้นดอก ดังนั้นความฉลาดในลักษณะของอารมณ์แต่ลักณะที่บังเกิดขึ้นเป็นผลต่อนเนื่องมาจากปริยัติศึกษาคือการเล่าเรียนแต่บุคคลเรียนรู้ได้อย่างลึกในแต่ละจุดของธรรมดังกล่าวแล้วแม้จะมีพลิกแพลงอย่างไรก็จะเข้าใจธรรมหลักนั้นได้อีกชั้นหนึ่งในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นภายในจิตใจอาจจะมีความบาดความสะดุ้งความกลัวความมิตกกังวล หรืออ า, ารอาการตกครักอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งของจิตปัญญาก็จะเข้าไปเพ่งพินิษฐ์ลักษณะของอารมณ์เหล่านั้นแม้ว่าภาพที่ปรากฏเป็นกุศลก็ไม่ถึงความวางใจว่าเป็นกุศลต้องมองให้ถึงก้นบึ้งของสิ่งเหล่านั้นโดยบางครั้งบางคนก็อาจจะมองไม่เห็นในจุดนั้นก็อาจจะคาดหมายผลซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปล่อยจิตให้ถูกครอบงำด้วยสิ่งเหล่านั้น และในที่สุดก็จะรักษาธรรมที่ควรรักษาละธรรมที่ควรละประกอประคองธรรมที่ควรประกับประคองเพิ่มพูนธรรมที่ควรเ พ, เ, พเพิ่มพูนเพิ่มพูนและบังเกิดขึ้นภายในใจกันต้นได้แต่เราถึงลักษณะของอารมณ์ที่บังเกิดขึด้จนจ้ในทางของการปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติจะพบว่าบางครั้งใจแกไม่ยอมสงบไปชอบคิดบางครั้งก็ดิ่งเข้าหาความสงบเลย ต้องด้วยสงบนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลพระสงบไม่แน่บางทีมันจะได้ความหลับเข้าไปก็ได้เมื่อแยกให้ออกท่าเป็นไปในแนวของสมาธิก็ขุมไปในเส้นทางสายนั้นที น, นี้การใช้ปัญญาพินิพจารณาก็เหมือนกันว่าคิดแล้วกิเลสเกิดหรือกิเลสสงบแต่คิดแล้วกิเลสเกิดก็ต้องปิดกั้นกระแสเอาไปแต่คิดแล้วกิเลสสงบมีปัญญาปรากฏขึ้นภายในจิตใจ าใจถึงความจริงอย่างทองแท้ในสิ่งเหล่านั้นตามกฎของไตรลักษณ์ต่างๆนตอนต้นก็ไม่มีปัญหาอะไรในการปฏิบตัติก็ปฏิบัติไปเรื่อยเพราะนั่นคือวิปัสสนากรรมฐานแต่ข้อที่ไม่ควรลืมก็คือว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีขันห้าเป็นอารมณ์หรื่อนา ม, มีนามารูปเป็นอารมณ์และจะต้องมองเห็นสับปะสังขารทั้งหลายตามความจริง ความจริงสิ่งนั้นเป็นอย่างไรเห็นความจริงแต่นั้นเห็นความจริงในแง่ของไตรลักษณ์คือความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าในชั้นของการพิจารณาการประพฤติปฏิบัติจะมองเห็นทั้งในด้านแยกและในด้านรวมไม่ใช่ว่าปฏิเสธสมมติสัจจะไปเลยส่วนสมมติสัจจะก็คือสมมติสัจจะ แต่ใจจะไม่คล้องไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าในนิกายเซนซึ่งเป็นนิกายหนึ่งของพุทธศาสนาบอกว่าเวลาปฏิบัติไปพอเริ่มปฏิบัตินนั้ต้นไทก็ไม่เป็นต้นไสเมื่อปฏิบัติไปถึงจุดสูงสุดต้นไสก็กลับเป็นต้นไทเหมือนเดิมดึง้นโดยความหมายแล้วหมายความว่า การใช้ปัญญาพินิจพารณาถึงทำทั้งหลายจะเป็นรูปหรือจะเป็นนามก็ตามเมื่อแยกย่อยลงไปโดยกฎของความเป็นจริงแล้วในแง่ที่ยังเกาะกลุมเกาะกลุมกันอยู่ก็มองเห็นเป็นกระบวนการของความเลื่อนไหลเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่ไปไม่เที่ยงเป็นทุกเว น, นัตตาพอถึงจุดหนึ่งจะย่อยออกได้หมดเลยไม่มีอะไรเป็นความว่างเป็นความสูญไปจิตใจก็จะถ่ายถอน ความยึดติดในสังในสัตว์และสังขารทั้งหลายที่ว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้แต่พอถึงจุดเหล่านั้นแล้วโลกเคยเป็นอย่างไรก็ยอมรับความจริงในโลกเหล่านั้นเพียงแต่ใจท่านไม่คล้องไม่ติดไม่ยึดถือในสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องทุ่มเฉียงการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพระองค์นั้นไม่ทะเลาะ ก, กับโลกมีแต่โลกทะเลาะ ก, กับพระองค์นั้นเอง ก็โลกเขาสมมติบัญญัติว่ายัางไงวัตถุชิ้นนี้เขาเรียกว่าถ้วยในบ้านนี้เรียกว่าถ้วยก็ถ้วยไปแข่งหนึ่งเขไม่เรียกว่าถ้วยเรียกอย่างอื่นเรียกอย่างอื่นก็เรียกอย่างอื่ น, น, นไม่จําเป็นจะไปต้องถกเถียงอะไรกันเพราะนั้นโดยแง่ความจริงแล้วเป็นสมมติแต่เราก็จะว่าสิ่งสมมติสมมติยังไงก็ได้เมื่อมีการยอมรับรับถือการสิ่งนั้นก็เป็นอย่างที่สมมุติกันท่านก็ไม่ปฏิเสธในเชิงสมมุติแต่ภายในจิตใจของท่านนั้นไม่ยึดติด ไม่เป็นเหตุทุ่มเถียงกันแต่นั้นแดี๋ยวพบว่าท่านที่เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ปัโสดาบันขึ้นไปไม่มีหลักฐานอะไรว่าท่านคือเถียงอะไรกับใครท่านจะต้องทะเลาะในองค์ธรรมกับพระอริยบุคคลด้วยกันเพราะอะไรพระท่านเข้าใจอะไรคือความจริงชั้นไหนอะไรคือความจริงอย่างแท้จริงอะไรคือความจริงในขั้นของการสมมติพัญญัิกันขั้นสมมติก็สมมติกันไปว่ายังไงก็ว่าตามกัน จะเรียกว่าโลกาณวัฏ ค, คือคลอยตามโลกไปเพราะอะไรพราะพร ะ, ร ะ, ระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกโลกสมมติบัญญัติในขั้นสมมุติบัญญัติก็สมมติบัญญัติในขั้นของความจริงก็คือเรื่องของความจริงเป็นการเข้าถึงโดยจิตใจข้างท่านกิเลสตัณหาไม่สามารถจะเกาะติดภายในใจได้นั่นก็คือความฉลัดในกุศลธรรมจากแท้ จ, จริงซึ่งท่านเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระเสขะไปในที่สุด แต่ว่าทุกขั้นตอนที่เกิดความรู้แจ้งประจักษ์ในธรรมตั้งยนั้นล้วนแล้วแตมีผลในการขจัดบรรเทาความไม่รู้ความหลงให้บรรเทาปบาบางลงไปจากจิตใจของบุคคลผู้นั้นซึงผลจะเกิดขึ้นได้มากน้อยตามสมควรแก่ธรรมที่บุคคลได้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสุขต่อไป